3าจุดความหมายของกาลยานมิตรวงเล็บเปิดสบห้ามิถุนายนสองพหาในวงเล็บสองจุดจุดนาทียี่สิวงเล็บปิดกาลยานมิตรที่แท้ทำให้เรารู้ธรรมที่ไม่เคยรู้ทำให้เราละธรรมที่ควรจะละทำให้เราเข้าถึงธรรม ท, má, ที่ควรจะเข้าถึง